ก็วันนี้เป็นวันปีใหม่ปีใหม่สากลวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2553เป็นวันสำคัญยิ่งของพี่น้องชาวไทยหรือว่าชาวโลกของพวกเราพวกเราถ้าหากว่าได้ประสบความไม่พอใจเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็มีความตั้งใจว่าคงจะดีขึ้น แต่ถ้าว่าท่านผู้ใดประสบความสำเร็จเมื่อปีที่แล้วก็เป็นที่พอใจแล้วก็ตั้งความหวังว่าปีนี้คงจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้วเพราะนั้นปีนี้เป็นปีใหม่แต่ถึงยังไงวันคืนเดือนปีก็มีพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาอย่างเก่าแล้วก็ดินฟ้าอากาศก็เป็นอย่างเก่าเป็นแต่เพียงเราสมมติ ขึ้นมาว่าเป็นปีใหม่เท่านั้นเองแต่ว่าถึงยังไงเมื่อสมมติแล้วก็มีความหมายมีความหมายสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วสมมติขึ้นมาแล้วก็มีความหมายในจิตใจของพวกเราแต่ถึงยังไงคุณงามความดีหรือว่าความชั่วเสียหายไม่ได้อยู่กับวันคืนเดือนปีปีใหม่ปีเก่าทาได้ทั้งนั้น ถ้าจะทำความดีก็าทาปีใหม่ก็ได้หรือจะทำความชั่วทําปีใหม่ก็ได้แต่การให้ผลความดี ก, กับความชั่วนั้นมันแตกแตกต่างกันถ้าทำคุณงามความดีมผลขึ้นมาก็คือความสงบร่มเย็นเป็นสุขทาง จ, จิตใจและก็การเป็นอยู่รอบด้านแต่ถ้าว่าทํา กรรมที่ไม่ดีทํากรรมชั่วกรรมชั่วนั้นจะให้ผลเดือดร้อนตนเองเป็นอันดับแรกจากนั้นก็วงสาคนาญาติผู้เกี่ยวข้องเดือดร้อนไปหมดเพราะเหตุใดเพราะกรรมชั่วให้ผลเพราะฉะนั้นส ร, สรุปแล้วก็คือหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเน้นหนักเรื่องกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว วันคืนเดือนปีปีใหม่ปีเก่าวันเสาร์วันอาทิตย์เดือนไหนปีไหนไม่สำคัญเท่าการกระทำของตนเองถ้าเรากระทำถ้าเราทำดีแล้วทาดีแล้วครูใดก็ตามขณะใดก็ตามเวลาใดก็ตามวันใดก็ตามเดือนใดก็ตามปีใดก็ตามครูนั่นแหลขณะนั่นแหลเวลานั่นแหล เป็นเวลาดีแต่ถ้าเราทำกรรมชั่วถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีครู่นั้นเป็นครู่อัปมงคลเวลาอัปมงคลวันเดือนปีเป็นอัปมงคลเป็นเรื่องกรรมชั่วทั้งหมดเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเน้นเรื่องกรรมคือการกระทาของคนเรามากกว่าท่านจึงมีคำขึ้นมาว่าทาดี ดีกว่าขอพอร ท, ทําไมท่านจึงว่าอย่างนั้นทําดีดีกว่าขอพอรถ้าว่าเราทํากรรมชั่วแล้วจะไปขอพอรก้าวัดก็ไม่สามารถที่จะคุ้มครองเราได้เพราะเหตุใดเพราะเทเราทํากรรมไม่ดีเอ่อย่างที่เราไปทํากรรมชั่วอย่างอนันตริยกรรมหา้าฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยอนันตริยกรรมห้าก็คือมาตุคาดฆ่ามารดาปิตุคาดฆ่าบิดา อรหันตะคาตฆ่าพระอรหันตโลหิตุบาตทำร้า ย, ร พ, ยาพระพุทธยะพระพุทธเจ้ายังโปรหิให้ห้อสังฆเภทยุโยงสงให้แตกกันเป็นสองฝักฝ่ายอันนี้เตียว่าอนันตริยกรรมเป็นบาปหนักมากอย่างในพระพุทธศาสนาถ้าหาว่าเราทำกรรมชั่วแล้วจะไปขอพรก้าวัดพร น, นั้นก็ไม่สามารถที่จะคุ้มครองคนชั่วนั้นได้ ก็เอะไรเพราะตัวเองทํากรรมชั่วไว้แล้วเพราะฉะนั้นคําที่ว่าทําดีดีกว่าขอพรอ เ, เข้ากันได้ไหมในจุดนี้ เ, เพราะฉะนั้นให้พวกเราทํากรรมดีไว้แล้วก็ขอพรทีหลังอันนั้นถูกต้อง อ, อ, อย่างที่หลวงพ่อเคยแนะนำศรัทธาญาติโยมลูกหลานอย่างปีใหม่วันเนี้ย อ, อ พระพุทธปฏิมาของหลวงพ่อเนี่ยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนพระเศียรของพระพุทธปฏิมาด้วยแต่พวกเรามาถึงวัดวันนี้พวกเราตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระประธานพระพุทธอุโรมมงคลเนี่ยที่วัดป่านาคําน้อยข้าพเจ้าจะงดเว้นในการทําความชั่ว จุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นที่เราทายากนะเข้าไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเข้าไปเจ้าจะหยุดในการกระทำในจุดนั้นในเรื่องนั้นในการกระทำนั้น เ, เสร็จแล้วเมื่อปีต่อไปเนียเราทำได้แล้วปีต่อไปเราก็มาขอผ่อนเออข้าพเจ้าได้ทำได้จริงด้วยสัจจะความจริงใจที่ข้าพเจ้าได้ตั้งสัจจะในปีใหม่ เมื่อพุทธศักราช 2,553 วันที่หนึ่งแต่ปันนี้เข้ามาปี 2,554 แล้วข้าพเจ้าขอรับพรจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทิดพรนั้นก็จะได้รับเพราะเห็นอไรเพราะเราทำกรลมดีไว้ก่อนพรนั้นจึงตามมาทีหลัง ไม่ใช่ว่าปูบ ป, ปรับมาแล้วก็มาแต่ขอพรลูกเดียวตัวเองไม่ได้ทําคุณงามความดีไม่ได้ทําบุญทำทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติอะไรมีแต่ขอพรลูกเดียวอย่างนั้นพรคุณงามความดีจะประสาทพรให้แก่เราได้อย่างไรเพราะเราทํากรรมที่ไม่ดีเอาไว้เพราะนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย หลักทำคำสัส่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักกรรมคือการกระทําแต่ถ้าว่าทํากรรมชั่วเสียหายแล้วเนีรับพรจากพระพุทธเจ้าได้คนทั้งหลายอย่างพระเทวทัตยอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าก็รู้แล้วเพราะพระพุทธองค์มีเมตตามไม่มีประมาณพระเทวทัตก็รู้แก่ใจว่าพระพุทธเจ้ามีเมตตามไม่มีประมาณตอนที่พระพุทธเจ้าเจ็บ ตอนที่พระเทวทัตป่วยหนักให้พระสงฆ์ให้หามพระเทวทัตไปกราบพระพุทธเจ้าพระสงฆ์บอกพระสงฆ์ก็ บ, บอกกับพระเทวทัตว่าเอ้ยสมัยอยู่ดีๆมีแต่คิดฆ่าพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่ากี่ครั้งตัว ก, กี่หนรู้พวกเราก็รู้แต่บัดนี้ตัวเองจะตายอยจะให้หามไปหาพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเหรอใครจะไปพระพุทธเจ้าท่านจะมองเหรอ พระเทวทัตตอบกับพระสงฆ์เหล่านั้นว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีเมตตาต่อสัพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกท่านเมตตาพลาหุนอย่างไรท่านก็เมตตาต่อทุกคนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเหมือนกับแม่น้ำถึงจัดสัตว์สาลาสิงประเภทไหนพอใจไม่พอใจขนาดไหนแม่น้ำก็ไม่ปฏิเสธจัดสาลาสิงหรือคนทุกประเภท ที่จะลงอาบน้ำเพราะพระพุทธเจ้ามีพระทัยใจกว้างขวางถึงขนาดนั้นแต่ถึงยังไงก็ตามกรัมที่พระเทวทัตทําไปแล้วนั้นพระพุทธองค์ไม่สามารถที่จะประทานพรให้พ้นจากกลัมชั่วไปได้เพราะเหตุใดเพราะคนที่กระทํากลัมไปแล้วนั้นคือคือตัวเองได้ทําไปแล้วทําชั่วไปแล้วเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่เข้ามาศึกษาหรือเข้ามา ฟังในธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาแล้วให้พวกเราปรับทิศทางการกระทําของเราคิดไปในทางที่ดีแล้วก็ทําในทางที่ดีพูดในทางที่ดีนั่นแหละประเสริฐเลิศกว่าขอพรเก้าวัดนี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายศรัทธายาทยมทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานที่มี อายุน้อยที่เป็นนักศึกษาหรือเป็นนักเรียนที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังเมื่อได้ฟังได้ศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้คิดไว้เสมอว่ากรรมคือการกระทาทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วถ้าเราทํากรรมไม่ดีแล้วจะได้ดีได้อย่างไรถ้าเราทากรรมดีแล้วจะไปชั่วได้อย่างไร นี่แหละหลักของพุทธะเน้นลึกเรื่องกล่ำคือกลางกระทำและก็พร้อมกันปีใหม่ทุกปีหลวงพ่อจะพูดเน้นหนักเรื่องมาตาปิตุอุปัทานะพุตตทธธารัชสังขโโหมาตาปิตุอุปฐานะก็คือพ่อแม่เป็นพรมของบุตรพ่อแม่เป็นบุพก า, ารีพ่อแม่เป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อน พวกเราในฐานะลูกหลานทุกคนที่ยังพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้พวกเรามองมองพ่อแม่ของเราแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้มองพ่อแม่ของเรามองแบบมันเคยชินเมงงื่อกันเห็นพ่อแม่ของเราเป็นปกติเท่าแก่ชราก็เคยชินแต่ถ้าว่าท่านล่วงลับดับขันไปเมื่อท่านตายไปพูดง่ายๆจิตใจของเราจะเคว้งคว้างพอจงควรนะว้าวเว ลึกๆในจิตใจไม่เหมือนพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ถึงยังไงก็เป็นมีเครื่องยึดทางด้านจิตใจของพวกเราแต่เมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วเหมือนกับพี่น้องพี่น้องมองกันต่างคนก็ต่างมองกันครอบครัวของใครของเราแต่ถ้าว่าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่พ่อแม่ยังเป็นหลักถ้ามีอะไรขึ้นมาพี่น้องทุกคนก็หันหน้าเข้าหาพ่อแม่ พ่อแม่ก็จะต้องแนะนำคนนั้นทุกนะคนที่จนนะคนจะแบง่งคนจะเสียสละเกื้อกูลหนุนกันนะพี่น้องนะพ่อแม่ยังมีสิทธิ์มีโอกาสที่จะแนะนำพวกลูกๆทุกคนให้มองกันให้หันหน้าขาหากันให้รักพร้อมเพียงสามัคคีกันเพราะว่าพ่อแม่เป็นรักเป็นห ล, ลักจุดยืนของลูกของบุตรธิดาทุกๆคน เพราะนั้นพ่อแม่ที่ผู้ใดก็าตามยังมีพ่อแม่เป็นร่มโพร่มไทรอยู่หลวงพ่อว่าเป็นผู้มีบุญนะเพราะนั้นพวกเราควรจะกระตันอยู่กระตะเวทิตาต่อพระคุณของท่านเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาการเลี้ยงเราเหมือนกับเราเลี้ยงเด็กไม่รู้โโ่าไรทั้ทงที่เด็ ก, ด ก, ดกโมโหโโศโโกรธให้พ่อให้แม่ไม่รู้ทำอะไรต่อมิอะไร อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นแต่พ่อแม่ก็มีแต่รักลูกลูกหลานของเราด้วยความทะนุถนอมเอาจุกอกเอาใจทุกอย่างพวกเราเป็นเด็กพ่อแม่เลี้ยงดูเราพวกเรามาเหมือนกันไม่แพ้กันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราทุกทุกท่านให้มองนึกนึกย้อนหลังาการเป็นอยู่ของเรา พวกเราจะระลึกถึงพักคุณของพ่อของแม่ได้แต่ถ้าเราไม่ระลึ ก, ลกเราไม่ได้ใช้ความคิดในจุดนี้เรามีแต่รักไปข้างหน้ามีแต่รักลูกรักลูกเสร็จแล้วก็รักหลานรักหลานก็รักเหรนไปเรื่อยลืมลืมคิดถึงพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาที่เป็นบุพ ก, การีของพวกเราเพราะนั้นในวันปีใหม่และวันสงกราน หลวงพ่อจะเน้นหนักเรื่องบุพการี บ, บุคคลผู้มีอุปการะก่อนคือพ่อแม่ของพวกเราเป็นมูเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสําหรับบุตรธิดาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนก็เกิดมาจากพ่อจากแม่ในเมื่อพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่พวกเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรควรจะไปดูท่านดูแลท่านอย่างไรวันเสาร์วันอาทิตย์วันที่มันว่างก็พาลูกพาหลาน พ่อไปกราบท่านแล้วไปดูถามไทยความสารถุสุกดิบของท่านว่าท่านขาดเรือขาดตกอะไรท่านเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของลูกทุกคนจะต้องออช่วยกันไปดูไม่ใช่ว่าเราจะมอบให้คนนั้นดูพ่อดูแม่แล้วละ่ะไม่ใช่หน้าที่ของเราเราอยู่ห่างเหินก็ได้เพราะคนนั้นคนนี้เขาดูอยู่แล้วพี่เขาดูอยู่แล้วน้องเขาดูอยู่แล้วอย่างนี้ อันนั้นแปลว่าทิ้งภาระของตอนเองให้แก่คนอื่นเขาทั้งที่พ่อแม่นั่นคือพ่อแม่นันอยู่ในตัวของเราทุกคนตั้งแต่หัวจดเท้าเราได้มาจากใครได้มาจากพ่อจากแม่ในเมื่อเราได้มาจากพ่อจากแม่เสมอกันทั้งพี่ทั้งน้องลูกมีกี่คนเสมอภาคกันทั้งหมดแล้วเราจะไปโยนให้แก่ใครคนใดคนหนึ่งถูกต้องไหมอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องช่วยกันคิดอีกเหมือนกัน พ่อแม่เป็นหน้าที่ของบุตรธิดาเป็นหน้าที่ของบุตรหญิงบุตรชายทุกคนจะต้องหันหน้าเข้าหากันแล้วก็เข้าไปดูแลพ่อแม่ด้วยความทะนุถนอมพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรขาดเหลือขาดตกอะไรที่นอนหมอนมุ้งของท่านใครเป็นดูแลสะอาดไหมควรจะเปลี่ยนยังไงแต่ละปีฮเป็นหน้าที่ของลูกทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลอันนี้คือบุตรที่ดีแต่ถ้าบุตรที่ไม่ดีก็อย่างว่า มีแต่จิตใจเอาแต่ใจตัวเองพูดอะไรมีแต่ประชดประชันมีแต่กระแทกแดกดันให้พ่อแม่เจ็บอกเจ็บใจช้ำอกช้ำใจกับความคิดกับการพูดของเราพ่อแม่ถ้าจะว่าไปแล้วอายุมากเท่าไหร่ก็เหมือนใกล้เด็กเข้าไปเรื่อยๆเหมือนกันน ะ, ะเมื่ออายุแกเท่าไหร่จิตใจยิ่งอ่อนไหว ถ้าโกรธให้แกใครก็โกรธได้ง่ายสิ่งเหล่านี้ขอให้พวกเราที่เป็นบุตรหลานของปู่ย่าตายายขอให้ช่วยๆกันดูแลเนอะอันนี้คือเมื่อเราดูแลแล้วเป็นยังไงในหลักของพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของบุตรธิดาพระหรันคําว่าพระหรหันใครอย่าไปแตะต้องไปดูถูกเหยียดหยามเป็นบาปกลั่มอันหนัก ถ้าเรารู้เดียงสาภาวะแล้วนะเราเรียนรู้แล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วรู้นิติภาวะแล้วเราไปทำให้แก่พ่อแก่แม่นั่นแหละเป็นบาปกล้ำอันหนักแต่ถ้าเราเป็นเด็กอยู่อันนั้นเราไม่รู้เดียงสาภาวะถึงจะกระทาไปกับพ่อแม่ยินดีให้อภัยไม่เจ็บอกเจ็บใจยังพออกพอใจอีกต่างหากเนื่องเพราะ ด้วยความรักลูกของตนเองแต่เมื่อเราลูกของเราเป็นผู้ใหญ่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปพูดไปคิดไปทำไปพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนั้นเป็นบาปกรรมเหมือนกับทำสิ่งที่ไม่ดีกับพระอรหรันตะ์เพราะนั้นขอให้พวกเรานับถือคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้ถือว่าพ่อแม่เป็นพรหมของบุตร เป็นผู้มีพรมมมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาแต่หลวงพ่อเคยพูดว่าพ่อแม่จะไม่ใช้คำว่าอุปเปกขาไม่ดีใจไม่เสียใจเม <ME> ื่อลูกถึงคราววิบัติพ่อแม่คงไม่ได้ใช้ตัวนี้ตัวข้อที่สี่แต่ว่าตามใร้จริงพรมมหาวิหารมีอยู่สี่หน้าเมตตากรุณามุทิตาอุปเปกขา แต่พ่อแม่เนี่ยจะไม่ใช้อุเบกขามีแต่ใช้เมตตากรุณามุทิตาเป็นหลักเอที่ดูแลแล้วปกครองลูกเพะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็คงจะมีลูกมีหลานเหมือนกันเออก็คงจะได้คิดหละอย่างพระเจ้าอาชาติสัตตรูนะเอที่จะพระบิดาไปขังไว้ในคุกในกรุงราชาคฤห์สมัยพระพุทธเจ้ายัง ประกาศพระาศาสนาอยู่พระอาจารย์เสตูจับพระบิดาเอาไปขังไว้ถ้าจะฆ่าหรื อ, อก็กลัวจะเป็นบาปหรื่ถ้าไม่ไปขังไว้หรื อ, อกลัวตัวเองก็ไม่ได้ครองราดก็เลยจับพระบิดาไปขังเอาไว้ในคุกตีนเขากิสกูดนะแต่พระเจ้าอาสสัตตุรธันก็มองแต่พระเจ้าพิมพิสารท่านก็มอง เห็นแสงไฟของพระพุทธเจ้าเห็นแสงไฟของพระสงฆ์ที่อยู่บนภูเขาที่ท่านไปปฏิบัติภาวนาอยู่บนภูเขากลางคืนใจของพระเจ้าพิมพ์ิสารก็เบิกบานและลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือระลึกถึงพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติอยู่บนภูเขาก็ท่านก็มีชีวิตอยู่ได้นานเพราะจิตใจของท่านไม่ทุกข์ การเป็นอยู่าธาตุขันของท่านท่านไม่ทุกเออท่านจิตใจของท่านท่านมีความสุขแต่วันหนึ่งท่านทรมานเอาเข้าหนักหนักเข้าจนพระเจ้าพิมพิสารสวรรคตออพอสวรรคตเสร็จแล้วท่านี่พวกผู้ดูแลพระเจ้าพิมพิสารกลุ่มหนึ่งแล้วก็พวกดูแลเวียงวังที่เป็นอัคคมเหสีของพระเจ้าอาซาศัตรูอัคคมเหสีของพระเจ้าอาซาศัตรูก็คลอดปตรในวันนั้นอีกเหมือนกัน ขอดลูกชายเหมือนกันจ้ะทั้งสองฝ่ายเนี่ยทั้งพระเจ้าอาซาศู่ทั้งไอ้ลูกชายของพระเจ้าอาซาศู่ก็ทราบแล้วก็พวกพรามณ์เนี่ยไอ้พวกที่ดูเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก่อพระเจ้าพิมพิสารก็ตายเมื่อคืนนี้ลูกชายของพระเจ้าอาซาศูก็ขอดเมื่อคืนนี้พวกนี้เช้าก็เลยพราม์ทั้งสอง คนจะไปลายงานเข้าไปกราบทูลพระเจ้าอศาสศาตรูพอไปถึงก็ไปจาเอกันไปจาเอกันที่จะเข้าวังก็เลยถามกันมาอะไรเออพระเจ้าพิพิสานสวรรคตแล้วเมื่อคืนนี้เมนแลวพวกท่านมาอะไรเออลูกชายของพระเจ้าเป็นดินประสูตรเมื่อคืนนี้เหมือนในคนสองกลุ่มแลวก็ปรึกษากันว่าใครจะขึ้นไปกราบทูลก่อนปะ เออใครใครจะขึ้นไปกราบทูลก่อนพราหมณ์ทั้งสองคนอมหมัดทั้งสองคนก็เลยบอกว่าเรื่องตายเป็นเรื่องที่หลังเพราะว่าตายตายไปแล้วแต่เรื่องประสูดเนี่ยลูกชายของพ่อองค์เนี่ยควรจะขึ้นไปก่อนเพราะมันเป็นเรื่องที่จะยืดยาวต่อไปภายภาคหน้าเพราะเป็นลูกชายของพระเจ้าแผ่นดินเออเอาถอย่างนั้นก็ให้ให้ขึ้นไปก่อนเออที่อมมาตที่จะขึ้นไปกราบทูล ลูกชายเกิดเนี่ยลูกชายของพระเจ้าซาตศสัสตรูเกิดเนี่ยก็ขึ้นไปพอขึ้นไปพระเจ้าซาตุสัตรูก็ถามว่ามาลายโอ้ลูกชายของพระองค์ประสูติแล้วเป็นผู้ชายร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกอย่างทันี้พอพระเจ้าซาตุสัตรูได้ยินเท่านั้นละ่ะดีพระไทยโอ้โหดีพระไทยอย่างมากเพราะว่าได้ลูกชาย ตอนี้พอกำลังจิตใจกำลังพองอยู่อย่างนั้นบางเงันก็คิดถึงพอ่อเลยตทนี้โอ oh. สมัยเราเกิดพ่อคงจะคิดถึงเราเหมือนกันนยะพ่อคงคงจะคิดเหมือนเรารักลูกอย่างนี้เหมือนกันพอคิดกำลังพองวันนี้ต้องปล่อยพ่อแน่ต้องไปสั่งปล่อยพ่อแน่คงจะไม่ขังอีกแล้วโอ้โหทำไมการรักลูกรักขนาดนี้เจ้าเลอเนี่ยเลือนะลลได้บางงันนะ่ะ พอระลึกทีนี้พอพวกนี้เออเอากลับได้พอในพวกนั้นกลับมาพอลงมาพวกนี้ก็อํามาดพวกนี้ก็ขึ้นไปอีกทหารทหารใหญ่อํามาดใหญ่ขึ้นไปมาอะไรบอกว่าพระเจ้าพิมพิสารพระบิดาสวรรคคตแล้วเมื่อคืนนี่ยเฮ้อพอว่าเธอท่านคิดว่ากําลังพองจิตใจกําลังพองคิดถึงลูกคิดว่าจะไปปล่อยพ่ออยู่แล้ว ก็คิดถึงลูกอย่างแรงสลบเลยเหมือนนเถอะเออสลบเลยฟื้นขึ้นมาอีกเอออะไรก็เหมือนพระเจ้าพิมพิสารพระบิดาของพระองค์สวรรคตแล้วเหงือนกันสลบอีกสลบถึงสามครั้งเหมือนกันเถอะค่อยฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาแล้วเป็นยังไงเขาก็เลยรายงานให้ฟังโอ้เสียพระไทยอย่างมากเที่ได้เอาพ่อไปขังไว้ที่ตีนเขาคิจกูดเอาไปขังไว้ในคุก เพื่อมาให้พ่อออกจากคุกนี่แหละจากนั้นก็ได้ถามแม่ว่าแม่เป็นไงเอขณะที่ผมยังเป็นเด็กเนี่ยพ่อรักผมไหมแม่โอ้ยลูก ơi. เอ้ยเอพระบิดาพระเจ้าพิมพิสารขนาดลูกเป็นฝีที่หัวเขานะลูกเจ็บยังไม่กล้าบีบจังเอาปากดูดเออเอาปากดูดหัวฝีออกจากหัวเข่าให้แก่ลูกเออ โอ้พอพระเจ้าซ า, ศ า, ศาตรูได้ยินเออก็ยิ่งช้าเติมทางจิตใจอีกนี่แหละคือพ่อแม่เนี่ยไม่มีใครที่จะรู้ได้ว่ารักลูกน่รักขนาดไหนเพราะนั้นพระเจ้าอาซาตรูที่ท่านมีความรู้สึกที่ว่าพระบิดาเนี่รักท่านมากแต่ท่านก็ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีเพื่อจะแย่งชิงราชสมบัติจากพระบิดาเพราะว่าพระเทวทัต เป็นผู้ยุยงส่งเสริมนี่แหละผลที่สุดก็เป็นประวัติศาสตร์มาอย่างพวกเราได้ฟังได้ศึกษานี่แหละเพราะนั้นพ่อแม่ทุกคนหลวงพ่อว่าก็คงจะเป็นหัวอกเดียวกันกับพระเจ้าพิมพาาิสารได้ลูกขึ้นมาแล้วก็คงจะรักทุกคนเพราะนั้นพวกลูกหลานคณะัทธายาิโยมทุกหมู่เหล่าเมื่อพ่อยังมีชีวิตแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้พวกเราใส่ใจ ดูแลพระคุณของท่านด้วยความตั้งใจเพราะว่าพ่อแม่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของบุตรธิดาของลูกๆทุกคนเหมือนกัะร่มโพร่รมใสอย่างนั้นละอย่างลงพ่อลงพ่อเนี่มีความรู้สึกนะสมัยหลวงพ่อมาอยู่ถึงที่นี่ก็จากมุกดาหารมาเนี่ก็ไกลพอสมควรพอได้ยินพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปพอช่วงหลังๆอายุท่าน90้าสิบกว่าปี หลวงพ่อก็ไปบ่อยขึ้นเพื่อไปดูแลท่านพรเราในฐานะเป็นบุตรคนหนึ่งในบนรรดาหกเจ็ดแปดคนนั่นแต่ในพอพ่อแม่พ่ อ, พ อ, แ, มพอแม่ล่วงลับไปโอ้จิตใจรู้สิว่ามันก็คิดอีกเหมือนกันลักษณะมันหวั่นไหวเล็กๆเหมือนกันแต่พอยังเหลือพ่ออยู่เต่อีกมาปีที่สองต่อมาพ่อเขาล่วงลับไปอีกเออเนี่ยแหละจิตใจมันก็หวั่นไหวอีกเหมือนกัน เพราะนั้นหลวงพ่อว่าพ่อแม่นี่เป็นหลักเป็นร่มโพ ร, ร่มใสของบุททีดาในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยพวกเราอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าแต่เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วนั้น่ะพวกเราจึงมองเห็นแต่บางครั้งพวกเรามองเห็นก็จริงอยู่แต่มันก็สายเกินไปเสียแล้วเพราะฉนั้นขอย้ำเตือนให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ขอขอให้พวกเรา ให้ ช, ช่วยดูแลพระคุณของท่านนี่เป็นวันนี้เป็นวันปีใหม่พงหลวงพ่อก็เลยพูดถึงพระคุณให้พวกเราตั้งลำตั้งต้นตั้งลำตั้งหลักใหม่ให้ปรับปรุงกายวาจาใจของเราควรจะพัฒนาสิ่งไหนควรจะรูแลสิ่งไหนที่ขาดตกบกพร่องอยู่อันนี้คือจุดหนึ่งหลวงพ่อชี้บอกให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายให้มองดูว่าอย่ามองข้าม เราเกิดมาจากใครมาเกิดมาจากที่ไหนเกิดมาจากพ่อจากแม่ขอขอให้พวกเราช่วยช่วยดูอันนั้นคือพระหันในครอบครัวของเราและก็พร้อมกันในอนาคตพวกเราให้มองไกลอย่ามองใกล้จะเป็นการศึกษาก็ตามจะเป็นหน้าที่การงานก็ตามการพัฒนาครอบครัวสิ่งไหนก็ตามให้มองไกลให้มองรอบๆด้านลงพ่อว่า อย่าไปมองแบบม้าอินเดียทำไมม้าอินเดียมันเวลาไปในถนนกลัวมันจะตื่นคนกลัวมันจะตกใจเขาจะหาพลาสติกหรือหาไม้เนะี่ยบังตา ม, นมันเอาไว้เหมือนนให้มันเห็นเฉพาะใกล้ๆไม่ให้มันเห็นไกลเพราะนั้นพวกเราอย่าเป็นม้าอินเดียให้มองให้รอบคอบให้รอบด้านป ร, ประเทศชาติจะเป็นอย่างไรควรเราจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ครอบครัวเราจะเดินไปในทักษณะไหน เ, ออเราได้จตุปัจจัยเงินคำมาแล้ว เ, ออเราควรจะเก็บพร้อมรอมริบอย่างไรอันนี้ให้ขอให้พวกเราลูกหลานทุกๆคนหลวงพ่ อ, อ, อในฐานะพระสงฆ์ได้นำธรรมคำส่องสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาบอกกล่าวให้แก่พวกเราได้สำนึกออให้เป็นให้เป็นแนวความคิดและก็นำมาพัฒนาตนเอง ให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ถ้าหาก็รี้เกียรหาแล้วก็ไม่รู้จักเก็บเหมือนกระตุ่มก้นรั่วหรือกระป๋องก้นรั่วอย่างนั้นนะ่ะเอาสิ่งของเข้าไปเทน้าเข้าไปก็ไหลลวดออกไปหมดแล้วก็ไม่รู้จักใช้ใช้แบบอิลูชูแชกอะไรขวางหน้าซื้อไปหมดแล้วจะเป็นยังไงเงินที่หาจับสมบัติที่หามาได้ต่อไปในอนาคตล่ะถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหรือเราเจ็บไข้ได้ป่วย หรือพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยสามีภรรยาวงศาคนาญาติของเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะใช้เงินอย่างไรที่จะดูแลรักษาท่านเหล่านั้นเพราะเราไม่ได้เก็บเอาไว้เงินคำทรัพสมบัติเนี่ยสมัยเมื่อเป็นหนุ่มเนี่ยคิดอะไรมันคล่องแคล่วไปหมดนะแต่มันคล่องแคล่วไปหมดหลังไหลมาแต่เมื่อเท่าแก่ชราลงไปแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนน้อยหนุ่มนะคิดอะไร มันติดๆขัดขัดไปทั้งหมดนั่นแหละถ้าว่าพวกเราไม่ได้เก็บไว้แต่สมัยน้อยหนุ่ม เ, เมื่อเท่าแก่มาแล้วจะลำบากเพราะนั้นในหลักธรรมั้นท่านจึงว่าทุกขษาสะนันตรังสุขขังถ้าเราเมื่อเป็นน้อยหนุ่มเรามีความทุกข์การสดแสวงหาทรัพย์การทำหน้าที่การงานทุกแต่ว่าจะมีสุขเมื่อปลายมือเพราะเหตุไรเพราะเราได้เก็บหอมรอมลิบทรัพย์สมบัติเอาไว้ แต่ท่านผู้ใดก็ตามไม่ได้คิดไม่ได้อ่านมีแต่ความสะแสวงหาความสุขอย่างเดียวเรียกว่าสุขขัดสาสะนันตรังทุกขังพวกเราจะมีความสุขสมัยน้อยหนุ่มสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮากินแบบไม่คิดไม่อ่านแต่เมื่อเท่าแก่ชรามาแล้วผู้นั้นจะได้รับความทุกข์เมื่อปลายมือเพราะเหตุใดเพราะไม่มีการวางแผนชีวิตของตนเองเพราะนั้น ขอให้พวกลูกหลานคณะสัตยา ญ, ญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่านะตลอดถึงพระสงฆ์ตลอดหลวงพ่อด้วยหลวงพ่อเองหลวงพ่อกับว่าหลวงพ่อวางแผนชีวิตของตนเองไว้พอสมควรเหมือนกัน เ, เราจะเดินยังไงเราจะทํำยังไงเราจะปฏิบัติอย่างไรการวางแผนของวัดว า, าศาสนาครูบาอาจารย์ัธา ญ, ญาติโยมหลวงพ่อก็ได้คิดไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความคิดของหลวงพ่อเนี่ยอยากจะให้พวกเราทุกๆท่าน ที่มาเป็นลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานของหลวงพ่อเนี่ยให้คิดให้ไกลให้วางแผนชีวิตของตนเองด้วยไม่มีใครที่จะรักตัวเองยิ่งกว่าตัวของเราคนพ่อแม่พี่น้องจะรักเราก็เถอะอีกสักวันหนึ่งเขาก็จะต้องทิ้งเราถ้าเราไม่เป็นโลคเป็นพายว่า ง, งั้นถะถ้าเราไม่เอาไหนแล้วไม่เป็นทำอะไรไม่ถูกต้องแล้วพี่น้องก็เลี้ยงดูเราไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นให้รักเราให้พวกเรารักตัวเอง อัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรสิยาถ้าตนไม่ดีแล้วถ้าตนทําตนไม่ดีแล้วใครอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้เพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราคณะทาญ า, า, าติโยมทุกหมู่เหล่านะทุกท่านเมื่อได้ยินที่หลวงพ่อได้กล่าวไปแล้วก็นําไปคิดนําไปพิจารณาไตรายตองด้วยเหตุและผลแล้วก็นํามาประปรุงการเป็นอยู่ของพวกเรา พวกเราจะประสบแต่วความสุขความสบายใจไปนานเท่านานนะและก็พร้อมกันก็อย่าลืมนะชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนหลวงพ่อย้ำอยู่เสมอพวกเรามีอายุเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้หลวงพ่อกว่าหกสิ้าปีนะคนณะสัตา ย, ยาญาติโยมลูกหลานนะจะอยู่กับลูกหลานไปนานสักเท่าไหร่เพราะทุกวันนี้ก็อย่างที่ว่าล้มหายตายจากไปมากต่อมากที่เกิดมาหลังหลวงพ่อ ก็ตายไปกอมากลุ่นหลวงพ่อนี่ก็ตายไปกอมากลุ่ น, ล น, กก น, กนก่อนเกิดก่อนหลวงพ่อไม่ต้องวา่าไปเผาคนนั้นไปเผาคนนี้เดี๋ยวนี้คล้ายๆว่ารุ่นลาวคราวเดียวกันไม่รู้เผาไม่รู้กี่คนต่อกี่คนมาแล้วเพราะฉะนั้นชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนตายเกิดมาแล้วตายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปการส่อแสวงหาทรัพย์ก็เป็นสิ่งที่จําเป็น เพื่ อ, อยังชีพเพื่อเลี้ยงชีพของเราให้อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขแต่ธรรมะทางด้านจิตใจนั้นพวกเราอย่าห่างเหินจนเกินไปให้ยึดแนวแถวของพระพุทธศาสนายึดแนวแถวของพระพุทธเจ้าเข้ามาประพฤติธปฏิบัติถ้าพวกเรายึดแนวแถวนี้แล้วใจของเราจะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขระลึกขึ้นมาเวลาใดใจของเราก็มีแต่ความผาสุกอาหารกาย เราก็ไม่ให้ขาดตกบกพร่องอาหารกายคือปัจใจสี่ข้าวน้าโพชนะอาหารที่อยู่อาศัยยาแก้โรคภัยไข้เจ็บผ้านุ่งหม่มอันนี้คืออาหารกายส่วนอาหารใจนั่นก็คือเนี่ยหลักธรรมะที่นำมาประพฤติปฏิบัตินี่แหละใ ห, ให้ทานรักษาศีลภาวนาไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติบิบดามารดาล้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของพวกเราทั้งนั้นคิดในทางที่ดี ทำในทางที่ดีพูดไปในทางที่ดีคิดขึ้นมาก็ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นเวลาจะทําสิ่งไหนก็ตามไม่ทําเพื่อจะทํำร้ายคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นสิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่ทําขายายาโป่งยาหมาคันชายยาฟินคดรกองป้นจี้เราจะไม่ทําสรุปแล้วคือให้มีศีลห้านั่นแหละคือการกระทําของพวกเราถ้าพวกเรามีศีลธรรมดีแล้ว นั่นแหะบุญกุศลจะเข้าสู่จิตใจของพวกเราถึงจะตายไปบุญกุศลจะเข้าเป็นเพื่อนสองบุญกุศลจะเป็นเพื่อนสองเพื่อนใจของเราไปสู่ปัโลกภายภาคหน้าแต่ถ้าเราทํากรรมไม่ดีแล้วบาปอากุศลนั่นแหละบาปทั้งหลายจะเป็นเพื่อนสองเป็นผู้พานำเราไปตกนรกไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์ไปเกิดเป็นสัตว์ที่ฉาน ตายแล้วไม่สู์ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไปพิสูจน์แล้วแห่พิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลงปู่มั่นต้นตระกูลของพวกเราท่านไปอยู่ในป่าโรงพงพัยอยู่ในถ้มอยู่ในเงื่มผาต่างๆพวกเราได้ไปเห็นท่านไปภาวนาไปหลักนั่งหลับหูหลับตาให้ลิ้นให้ยุงกินอยู่ในโรงในป่าเสี่ยงต่ออันตรายทั้งงูอสรพิษทั้งหลายทั้งปวง ท่านไปนั่งอยู่ในป่าภาวนาก็เพื่อท่านจะพิสูจน์จุดนี้แหละตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูน่ทุกองค์พิสูจน์มาแล้วก็บอกว่ า, วาตายแล้วเกิดแน่นอนเพราะเหตุใดเพราะนั่งภาวนาจิตสงบลงไปแล้วร่างกายของเรามีสองนะกายกับใจอาศัยกันอยู่ ร, รูปปรธรรมระนามธรรมเหมือนกับคนกับรถกับรถอย่างนั้นะมันเหตุได้ชัดอย่างนั้นใน จ, ใจิตใจเพราะฉนั้นกายที่แตกตายสลายแน่แต่วิญญาณคือใจนามธรมรมล้นไม่ตายนะ ออท่านเห็นท่านรู้ด้วยตนเองท่านยังเห็นเทวบุตรเท ว, วดาอีกเข้ามาเกี่ยวข้องอีกจิตใจที่เป็นอยู่ในตัวของเราเกิดญาณทัตนะเกิดฌ า, นะานขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นท่านจึงยืนยันว่าตายแล้วไม่สูญเนะลูกหลานสัตยาญาณโยมนะบาบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงตายแล้วไม่สูญตัววิญญาณตัวนี้ละ่ะตัวนามธรรมเนี่ยนะจะไปเกิดก่อปฏิสนทิในภพภูมิต่างๆได้ เพราะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนอะอันนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ท่านสอนท่านยึดหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญหลวงพ่อเคยพูดไม่รู้กี่ครั้งถุกกี่หนเหมือนกันให้พวกเรานั่งสมาธินะนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทากายให้ตรง ดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเมื่อจิตสงบแล้วพวกเราจะไม่ต้องถามใครไม่ต้องถามใครหมดความสงสัยในตัวเองเอเพราะรู้ด้วยตนเองแล้วไม่ต้องถามใครเหมือนกับเราตะกอนเราไม่เคยกินเกลืออย่างนั้นไม่เคยกินพริกอย่างนั้นเออพริกมันเป็นยังไงมันเผ็ดยังไงแต่พอแตะเข้าลิ้นตนเองเรารู้ได้โดยตนเองเอเอเผ็ดเฮ้พริกกับเกลือมันรสคนละอย่างกัน ไม่ต้องถามใครรู้ได้ด้วยตนเองเออพริกน้ำมันเผ็ดอย่างนี้เกลือนมันเค็มอย่างนี้เค็มอย่างนี้เค็มกับเผ็ดมันต่างกันอย่างนี้เองนะอย่างนี้แหละอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราพวกเราประพฤติปฏิบัติแล้วรู้แจง้งเห็นจริงในตัวของเราแล้วไม่ต้องถามใครเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่เป็นธรรมะปัจจตังผู้ปฏิบัติย่อมรู้ได้เห็นได้ด้วยตนเองคนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆุกท่านนะ อย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดแนวความคิดให้แก่สัตยาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเพราะวันนี้เป็นวันปีใหม่เป็นวันสําคัญยิ่งเป็นวันตั้งต้นใหม่ถ้าสิ่งไหนที่มันไม่ดีเมื่อปีที่ที่แล้วก็เป็นบทเรียนของเราไปในทางที่ไม่ดีเราจะไม่ทําอีกแต่ถ้าเมื่อเราทําดีประสบความสําเร็จมาเราก็ควรจะเอาเป็นตัวอย่างอีกเหมือนกัน เราจะทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่าเมื่อปีที่แล้วเพราะปี 2,553 เนี่ยข้าพเจ้าจะตั้งต้นใหม่จะเป็นคนดีจากนั้นหลวงพ่อก็ได้บอกอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเราเกิดมาจากใครเกิดมาจากพ่อจากแม่พ่อแม่เป็นเป็นผู้มีพระคุณถ้าเราทำไม่ดีแล้วเราจะเสียใจเมื่อภายหลังเหมือนพระเจ้าอ า, าสสตร์เชตรูได้ขังพ่อไว้ในกงขัง ผลที่สุดก็พ่อได้สวรรคตพระเจ้าพิมพิสารได้สวรรคตพระเจ้าวสันต์ตูก็เสียอกเสียใจแต่มีอะไรจะทำอะไรได้ละ่ะเพราะพระบิดาสวรรคตไปแล้วเนี่ยเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายมีพ่อมีแม่ยังมีชีวิตอยู่ให้พวกเราให้ดูให้แลยอย่าไปทำให้ท่านหนักกกห น, นักใจกับเราเพราะเรายืนด้วยลำแข็งของเราได้แล้วพร้อมที่จะกระโดด ไปในโลกกว้างได้ไปโดดไปที่ไหนก็ได้เพราะเรามีสติมีปัญญาพอเราพร้อมที่จะสะแสวงหารับได้ทุกอย่างทรับสมบัติในโลกนี้เป็นเพื่อใครเพื่อพวกเราท่านทั้งหลายนั่นแหละแล้วก็พร้อมการหลวงพ่อเดชกล่าวย้ำเตือนว่าตายแล้วไม่สูญนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพิสูจน์มาแล้วนรกสวรรค์มีจริงถ้าใครทากรรมชั่วกรรมชั่วเนี่ยจะเป็นเพื่อนสองถ้าใครทากรรมดี ทำสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลจะเป็นเพื่อนสองนำจิตใจของเราไปสู่ปรโลบไปสู่สวรรค์ชั้นพรมได้เพราะบุญกุศลเป็นผู้พานําไปเป็นเพื่อนสองพาไปเพราะนั้นขอวันนี้กับการพูดแนะแนวความคิดให้แก่ศรัทธาญาติโยมลูกหลานก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาลต่อเ น, นี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรให้พวกเรา อุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติญาติมิตรสหายอตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรด้วยแต่บางคนเอ๊ะเจ้ากรรมนายเวรจะอุทิศให้ทาไมหลวงพ่อพอก่อนที่จะเป็นเจ้ากรรมนายเวรเพราะเราไปทําให้เขามาก่อนเราไปฆ่าไปทุกไปตีไปเบียดไปบงังไปทําร้ายเขามาก่อนพอมาชาตินี้เขาไปเช็คบินคืนว่างันเขาเช็คบินคืนเพราะนั้น เรามาพบได้พบพระพุทธศาสนาแล้วเราค่ะเออที่เราได้ทํากันไว้เนี้ยน่ะจบกันนะเกมกันนะอะหยุดกันแล้ว น, นะเรายินดีให้อโหสิเราขออุทิศส่วนกุศลให้ท่านด้วยท่านให้อภัยแก่เราด้วยฮะนี่แหละอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรในลักษณะอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ว่าปลุก ป, ปั๊บขึ้นมาเขาจะมาก่อเวรกับเราทีเดียวไม่ใช่นะ เ, ออเราไปทําเวรให้แก่เขาเหมือนกันนะัออ่นน่ะ เพราะนั้นเราเมื่อไปตีเขาเข้าไปทำร้ายเขาเข้าล่ะเราเฉยทำท่ามไม่รับผู้รับทราบไม่ได้นะเขาก็เจ็บใจเหมือนกันเพราะนั้นท่านจึงให้ทำบุญอุทิศก็ให้อุทิศส่วนกุศลถึงเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะจะให้เบียดเปลี่ยนซึ่งกันและกันให้เกมกันเพราะนั้นให้จบกัน่ะได้ผูกพยาบาทอาฆาตจองเปียกันต่อไปนะ